สานั้นมันมีรอยแวงจากสุนักกิ้งจอกจากนกกาจิกกินซยก่อนหรือไม่ก็ให้สบนั้นมีลักษณะเปื่อยผุพองถ้าศบยังใหม่ๆท่านไม่ให้ชักผ้าบวงกุลเพราะว่ามันมีเหตุที่เกิดขึ้นอย่างนั้นนี่เพราะกำลังกาลังใจที่ไม่มีตัวตนสมมติม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 ธรรมะแท้อยู่ที่กายขับใจไม่ได้อยู่ในตำราไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่ม ต, ต่างๆไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกแปด0มืนสี่พันพระธรรมขันธ์รวมลงมากายขับใจกายว่าใจใจรวมเข้าจริงๆก็ใจอันเดียวเป็นมหาเหตุคือ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 หรือจะระลึกรู้ในจุดใดจุดหนึ่งในเนื้อในหนังในผมขนแล้วฟันหนังในกรรมฐานห้าอันนั้นเป็นโมลเป็นมนมลเป็นฐานของคำว่ากรรมฐานกรรม ะ, รรมะคือคือการกระทำการงานคำว่ากรรมกรรมหรือว่าเป็นการงาน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 มันก็รู้ได้ว่าเอผมเป็นอย่างนี้ขนเป็นอย่างนี้เล็บเป็นอย่างนี้ฟันเป็นอย่างนี้หนังเป็นอย่างนี้นี่ว่ารู้สมมุติได้รู้สมมุติเป็นการรู้สมมุติด้วยใจถ้าเราลื่นตาดูเรียาเห็นสมมุติด้วยตาที่นี่ฝึกเห็นด้วยตาแล้วฝึกให้เห็นด้วยใจฝึกเข้าฝึกเข้าสติ นัหละกาหนดรู้นี่เดียวว่าตั้งฐานของธรรมะคืออุบายไว้แล้วับบเอาตัวทมเอาตัวทมแท้คือใจให้รู้ตามสติสติสร้างขึ้นให้เกิดขึ้นจากใจนี่สติความระลึกรู้ให้ระลึกนึกนึกนึ ก, นก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 เป็นอาการสวยทั้งความสบายไม่สบายทั้งความเฉยเฉยท่านเรียกวทานาวิทนาสามจิตนั่นคือตัวนึกคิดเ น, นึกอคิดอันนุ่นอันเน่ไม่อยู่ปกติท่านจะว่าจิตนี่มันเหมือนลิงจิตเหมือนลิง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 สมมุติว่าผมขนเล็บฟันสมมุติว่าดินน้ํามลมไฟอเดียวอ่าขันห้าเนี่ยมันมันเป็นตัวสมมุติมันเป็นรูปเป็นอาการแห่งสมมุติในขันห้าผู้มาสมมุติมารู้สมมติน่ะคือใจอืันนั้นเป็นตนเป็นตนแท้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 หายกับมาหาใจเท่านั้นหละเป็นมหาเหตุวันนี้ให้ปฏิบัติตั้งสติกำหนดอนาปานาสติหรือมู ล, ลกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่สุดผมคนเล็บฟันหนังอนาปานาสติกล่มหายใจเอาสองอย่างนี้ง่ายง่ายแล้วลึกลู่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 กินเหม็ น, นเราไม่ชอบแต่ถ้ามันมาติดมือหรือติดในอวัยวะร่างกายของเราส่วนไหนะะก็จะดมอยู่เรื่อยๆอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนมือลิงมันจะถูกปลาห่ามันก็จะดมอยู่ น, น, นะมันเหม็นปลาหาทั้งทั้งที่ไม่ชอบเดี๋ยว่ามันจะเยีนะ๋ยวมันจะไปะโจดจ่อนี่ก็เหมือนกัน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 กาบสามหนกาบห้าหนหรือกาบเอาตามอายุกาบตามคำมธัธยฐานเหมือนอย่างพวกชาวทิเบตกาบกาบอยู่ทั้งวันข้อสำคัญคือให้สติระลึกรู้เพื่อให้เกิดสมถะ ธ, ธรรมคือเกิดสมาธิธรรมเกิดความ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 ภาวนาให้ตั้งจิตอธิษฐานสมทานศีลรักษาศีลห้างดเว้นจากบาปจากโทษอันนี้แหละเป็นเบื้องต้นทานังเทติสีังเทติเป็นเบื้องต้นจริงๆอืมความเสียสละเนี่ยการให้สีังเทติก็เป็นอันดับสองเข้ามาคือมีสติ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 ทีแรกนี่มันกทุกขทรมานทรมานนะเรานั่งสมาธิหรือเราเดินจงกรมเดินทำสมาธิเนี่ยอืพอตั้งกิจอธิษฐานแล้วกําหนดเปงลงไปเลยว่าจะมาให้เผลอเนี่ยหายใจเข้าคุทหายใจออกโทหายใจเข้าออพุทหายใจออกโทกําหนดรู้กันไปเรื่อยๆโอ้มันจะเงือไหลคล้ายย่อยสังขารมันลนื่ะ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 อันนี้เพราะเราเพียงอาศัยการสมาานอาศัยเครื่องมือภายนอกก็ต้องอาศัยอย่างนั้นแหละแต่ที่นี้ถ้าว่าเราภาวนาเ น, นี่เนี่เราสำรวมภายนอกดีแล้วเราสำรวมจิตเข้าไปในจิตแล้วก็ภาวนาเจริญเมตตานึกถึงเขาถึงเรานึกถึงเขาถึงเราถึงคนอื่นจิตใจผู้อื่นอย่างอื่น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 การประพฤติปฏิบัติที่นี่ก็เหลือแต่ว่าให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจตั้งสติลงประพฤติปฏิบัติรู้กายรูกก้จิตรู้วิธีความนึกความคิดความอยากนั้นเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้นแหละรู้ที่นี่เห็นที่นี่อุูบาาจารย์ท่านจึงเตือนท่านจึงบอกว่าให้ดูที่ใจ